นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ หังกวโตอะระหะโตสัมมาสัมพ uh ุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอะรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น กิตต e ังทันต ta. ังสุขาวหังติมัจสะธรรมะปริยัจสสะอัธโทสาทายัสมันเตหิสกจังธโมโสตโบติอ่านนั่งสบายเข้าที่เข้าทางนั่งฟังธรรมนั่งฟังธรรมะเรียว่านั่งปฏิบัติ ปฏิบัติกายปฏิบัติจิตปฏิบัติวาจาเ <c oughs> พราะวธรรมะธรรมะคือกายวาจาใจเป็นกายวาจาเป็นส่วนรูปประรมับใจไม่มีตัวตนเป็นเทสภาวะแห่งความรู้ไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนไม่เป็นอะไรเลยใจ หาตัวหาตนไม่มีแต่มีรู้แต่มีรู้มีพลังพลังใจเนี่ยคนมีพลังใจอยู่ใจมีกำลังเข้มแข็งตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ใจมีสมาธิเป็นฐานอยู่เนี่ยบางทีเจ็บป่วยเจ็บป่วยแต่มันก็ยัง เจ็บป่วยมากแต่ยังมีกำลังเดินเหินไปมายังมีแก่กิจแก่ใจที่จะทำกิตการงานอันนั้นอันนี้ได้แต่พอไปตรวจหมอหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายเป็นโรครักษาไม่หายท่านหมดกำลังใจทอดทุระเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้กินไม่ได้ นี่คือว่ากําลังใจนี่พยุงพยุงกายใจพยุงกายใจมีกําลังอยู่เนี่ยมันพยุงกายให้มีกําลังเหมือนอย่าง <c oughs> นี่เรื่องจิตเรื่องจิตวิญญาณของคนตายอจิตวิญญาณของคนตายคนตายแล้วระหว่างจิต มันออกจากกายแต่มันไม่มีตัวตนแต่มันยังมีห่วงมีสัมพยุตเรียกว่าอุปทานอุปทานไอ้กิจมันยังมีอยู่มีอุปทานห่วงผ้าผ้าที่เขาเอาพันกายพันศพคําพุทธการ ศพคนตายเขาเอาผ้าพันพันแล้วก็ไปทิ้งปลายาพิดิบเรืยว่าคือไม่ได้เผาร่างกายไม่ได้เผาที่นี่พระท่านไปซักบังสุ ก, กุลเพราะพุทธเจ้าทรงอนุญาตว่าให้พระทิจารณาซักผ้าบังสุ ก, กุลคือผ้าที่เขาพัน ซากศพผ้าที่เขาทิ้งเกือกอยู่ด้วยดินด้วยฝุ่นเดี๋ยวว่าเขาทิ้งแล้วให้พระสงพิจารณาว่าเป็นผ้าที่บริสุทธิ์เป็นจีวรที่บริสุทธิ์ให้นำไปซักไปฟอกไปตัดไปเย็บไปยอมอธิษฐานได้พ <c> อ <oughs> ดีมีคนคนหนึ่งตาย พอตายใหม่ๆเขากอผ้าพันทิ้งไว้ในป่าชาพระท่านไปเจอเข้าไปเห็นเข้าท่านก็พิจารณาพิจารณาว่าเออผ้านี่เป็นผ้าที่เขาพันซากศพทอดทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของ <c oughs> พ้าท่านพิจารณาท่านก็ ลากผ้าคือดึงดึงกระพ้าออกจากศพเขาถือเดินออกจากความทราบอะไอจิตที่มันมีอุปทานอยู่มันมีพลังทำให้ศพนั่นลุกเดินตามผ้าไปได้เนี่ยลองคิดดูเรื่องกำลังจิตเดินตามผ้าไปจนาก็ไปถึงวิหารผ้าเข้าในวิหาร กิจนี่มันค่อยทอดทุเลาจากผ้ามันก็ไม่สัมพยุตในในร่างกายก็ล่มตูมลงเนยเหลือแต่ ก, กายจากนั้นมาพูะพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติจึงทรงแนะนำแก่พระเรื่องสักผ้าบังสุ ก, กุลจะต้องให้พิญาว่า ้ากศบนั้นมันมีรอยแหวงจากสุนัข ก, กิ้งจอกจากนกกาจิกกินซยก่อนหรือไม่ก็ให้สบนั้นมีลักษณะเปื่อยผุพองถ้าศบยังใหม่ๆท่านไม่ให้ชากผ้าบรงศุลเพราะว่ามันมีเหตุที่เกิดขึ้นอย่างนั้นนี่เพราะกำลังกำลังใจที่ไม่มีตัวตนสมมติม มันมีกำลังมันเข้าไปสัมะยุตเลยทำให้คนที่ตายเนี่ยกให้เป็นผีลุกเดินได้เพราะบางคนเขาถึงกลัวเขาถึงกลัวผี <c oughs> คืออันนี้มันเป็นไปได้ด้วยพลังของจิตนั่นแหละเหมือนกันกับพลังกระแสะไฟไฟที่ไม่เป็นเปลวไม่เป็นอะไรเละ มันมีแต่พลังแหงกระแสนี่ยมันวิ่งมาที่เราคนเราไปถูกไปต้องมันช็อตเข้าไปทําให้เสียชีวิตได้แน่นอนเรียกว่าพลังแหงกระแสไฟฟ้าพลังแหงกระแสจิตนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ถือว่าอืมในนัดหมายกัน ของสมลมชาวธรรมชาวพุทธพุทธศาสตร์หรือธรรมศาสตร์ของที่โอทีที่ได้กำหนดกฎเจนปฏิบัติกันมาเรียนละครัางสองข้างมาประจำแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนัดหมายวันที่สิบสาม อันวาคมพุทธศักราช2562ก็ใกล้จะสิ้นใกล้จะสิ้นปีตามสมมุติแต่สำหรับชีวิตของเรานั่นมันไม่มีสิ้นสิ้นก็ต่อเมื่อสิ้นลมหายใจนั่นแหละลมหายใจกับกายกับจิตใจยังไม่ไม่สัมพยุติกันหรอ ก็ถือว่าสิ้นปีสิ้นปีแห่งชีวิตของเรา <c oughs> ที่ขณะนี้ที่มันยังไม่สิ้นยังมีชีวิตกายกับใจ <c oughs> กายกับใจอาศัยกันอยู่แล้วก็เป็นเหตุให้สัมผัสรับรู้รับทรบาบกับความสุข ความไม่สุขคือความสบายหรือไม่สบายหรือว่าสุขทุกข์นั่นแหละอ <c oughs> ซึ่งความสุขความสบายนี่เป็นเป็นฝ่ายที่ทุกข์ทุ ก, ท ก, ก จ, จิตใจที่มีการรับรู้สิ่งที่อยากสิ่งที่ชอบเกิดขึ้นจากใจส่วนใจมันไม่มันไม่ชอบหรือ จ ะ, จะว่าชอบหรือไม่ชอบมันไม่มีในใจนั่นมันเป็นเพียงธรรมชาติรู้แต่ความชอบหรือไม่ชอบ <c oughs> มันเป็นกิริยาของใจท่านเรียกว่าตัณหาตัณหาคหือความอยากหรือความชอบไม่ชอบสิ่งใหนชอบก็เป็นกามตัณหาสิ่งไหนไม่ชอบ เขาเรียกว่าวิภาวะทัญหาสิ่งส่วสิ่งไหนชอบเป็นคำมาทัญหาเพราะว่าทัญหาสิ่งไม่ชอบเป็นวิภาวะทัญหาทั้งชอบทั้งไม่ชอบอาการทั้งหลายเหล่านี้มีใจเท่านั้นแหละเป็นผู้รับรู้รับรู้สัมผัสกับกายที่ยังมีใจ แต่บางทีกายใจก็ยังสัมปยุตกันอยู่คือธรรมชาติรู้นะ่ะสัมปยุตอยู่แต่ว่าวิญญาณเครื่องรับรู้ที่เป็นกระแสที่เป็นอาการตามสมมุตินะี่ที่เรียกว่าสัญญาสังขารมันดับไปแล้วก็มีความรับรู้หวนะิญญาณความรับรู้โอ้โหเนี่ยเหมือนกับคนป่วยถึงขั้นโคมา่า แต่ยังมีลมหายใจอยู่เราไปพูดอะไรเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ยินหรอกแต่บางทีได้ยินแต่จะแสดงอาการตอบรับว่าได้ยินทางเสียงหรือกระดุกกระดิกทางกายเขาไม่ได้เขามันหมดมันหมดสภาพสืบต่อกันทางวิญญาณกายกำลังทางกายจะรับลูกสัมผัสทางกายก็ตายไปแล้ว สัมผัสทางหูก็ตายไปแล้วมีแต่ใจที่เป็นประธานรู้บางทีถ้าทางหูมันตายมันก็ไม่สัมผัสเสียงนี่เพราะฉะนั้นความอยากหรือความสัมผัสว่าสุขว่าทุกข์มันจะต้องมีประกอบกันอยู่ระหว่างขันทั้งห้าทำงาน ร่วมกัน ท, ทุกสิ่งทุกอย่างอาการทั้งหลายทั้งที่กล่าวมาที่เรามีกันทุกท่านทุกคนมีการมีใจมีการได้ยินได้ฟังมีการรับรู้สึกนึกคิดมีการรู้สึกว่าพอใจไม่พอใจเนี่ยในเมื่อข บ, บวนการแห่งขัน มันยังทํางานร่วมกันมันก็รับรู้ได้แต่เมื่อมันแยกกันบางอย่างมันก็ตายไปสัญญาตายไปก่อนคือความจําได้หมายรู้ไม่มีบางทีมันมันไม่จดไม่จนะําน่ะมันไม่มีสัญญาบางทีนั่งอยู่เขาพูดเขาถามอะไร มันเหมือนไม่ได้ยินนนั่นแหละมันไม่มีมันไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณความรับลูกทําหูเข้าไปสู่ใจแต่ว่าขันทั้งห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวใช่ตนทั้งนั้นนหละที่นี่จึงมารวมว่าเรามาปฏิบัติธรรมสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวมาเนี่ยมันเป็นธรรมทั้งนั้นแ่ะ เป็นธรรมธรรมอนิจจังธรรมทุกขังธรรมอนัตตา <c oughs> นี่ต้องต้องอ่านเข้ามาอ่านเข้ามาใกล้ๆขณะนี้นเดียวนี่รู้ที่กายที่ใจของเราคือ <c oughs> มาปฏิบัติให้ให้รู้หรือว่ามาเรียนให้รู้ธรรมะแท้ ธรรมะแท้อยู่ที่กายคับใจไม่ได้อยู่ในตำราไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่ม ต, ต่างๆไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์รวมลงมากายคับใจกายว่าใจใจรวมเข้าจริงๆก็ใจอันเดียวเป็นมหาเหตุคือ ชาติรู้ธรรมชาติรู้รู้หรหลไใจบางคนก็จะไม่รู้ใจใจคือธรรมชาติรู้ความรู้อยู่ภายในตัวเราเนี่ยรู้เก็บรู้เก็บรู้ปวดรู้ร้อนรู้เย็นรู้สบายไม่สบายขณะนี้ฟังเสียงธรรมะรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติรู้ รู้ตามสมมติว่าอันนี้เป็นเสียงธรรมะรู้ตามสมมติว่านั่นวัตถุสิ่งนั้นเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้เป็นสมมติเมื่อมันดับเมื่อมันดับสมมติทั้งหลายเนี่ยเมื่อขันห้ามันขันห้ามมันดับขันห้ามันแยกกันอันนี้มีสมมติมันก็มีแต่ใจรู้ เพราะทันบางคนจะถามว่าใจรู้ลูเหรอแมันเป็นอย่างไรอีกมันก็ไม่เป็นอย่างไรละเมื่อมันเมื่อมันเหลือแต่รู้ที่เป็นใหญ่ในตัวเองไม่มีอาสวะคือความหลงผิดยึดผิดเข้ามาทำหน้าที่ เรียว่าความรู้เป็นตัวของตัวเองแล้วจนเป็นความละเอียดขึ้นไปเข้าไปเป็นญาณทัศนะหรือว่าเป็นปัญญาญาณที่แรกปัญญาปัญญาคือความกำหนดรอบรู้พิจนนิตรณามันยังหยาบอยู่เมื่อพิจารณาบ่อยๆกำหนดรู้บ่อยๆ มันเกิดความแจมแจ้งภายในความรู้ภายในใจของเรานั่นเรียก ว, ว่ายานแห่งปัญญาหรือว่าแสงแสงสว่างแห่งปัญญาเกิดขึ้นแล้วทำลายความมืดทั้งหลายทั้งปวงขณะนี้มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมดังที่ก่าแล้วอย่าส่งออกไปที่อื่นให้รวมเข้ามา ว่าใจของเราเนี่แหละเป็นธรรมกายของเราเป็นธรรมขณะนี้กายเ้านั่งสงบแล้วไม่กระดุกกระดิกไม่ทำจิตการงานอย่างอื่นเรียกว่าเป็นกายวิเวกแล้วก็เรียแต่ความรู้สึกนึกคิดภายในภายในจิตในใจความนึกคิดเป็นจิตติตตังผู้นึกคิด ส่วนใจไม่นึกไม่คิดรู้เฉยๆแล้วก็ให้สติเราเป็นอาการนันหนึ่งสติคือความกำหนดรู้ระลึกรูวกก้ว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราฟังทมอยู่นี่ความตั้งใจความรู้ความระลึกรูกก้เรียกว่ารวมเอาสติสมาธิปัญญา เข้ามาโครมคืนกันอยู่กับใจหรือผู้ลูกทาลูกเพื่ออะไรเพื่อเป็นเลดาเพื่อเป็นเลดาเครื่องจับเครื่องจับหรือเครื่องตรวจจิตที่มันจะนึกคิดไปอย่างอื่นไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ส่งไป ให้นึกรู้อยู่ปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เรียกว่าฝึกสติให้มันต่อเนื่องกันเมื่อสติต่อเนื่องกันด้วยความตั้งมั่นรละลึกรู้ปัจจุบันเรียกว่าสติธรรมสติธรรมความระลึกรู้ความระลึกชอบระลึกรู้อะไรระลึกรู้ หายใจเข้าหายใจออกเรียกว่ารูดตัวเพราะว่าตัวของเราส่วนหนึ่งก็คือลมหายใจนี่แหละถ้าไม่มีลมหายใจก็ไม่มีตัวไม่มีตัวไม่มีตนอีกตัวส่วนหนึ่งตามสมมติธาตุก็ร่างกายของเราเพราะนั้นระลึกรูลมนี่ก็เป็นกายละเอียด หรือจะระลึกรูปในจุดใดจุดหนึ่งในเนื้อในหนังในผมขนแล้วฟันหนังในกรรมฐานห้าอันนั้นเป็นโมลเป็นมูล เ, เป็นฐานของคําว่ากรรมฐานกรรมะคือคือการกระทําการงานคําว่ากรรมกรรมหรือว่าเป็นการงาน่ะ ฐานะเป็นที่ตั้งเรียกว่าฐานที่ตั้งขาฐานที่ตั้งของการงานปฏิบัติธรรมเจเินสมถทะธรรมวิปัตนาธรรมคือผมขนและฟันหนังนี่ห้าอย่างอันนี้เราเรามองเห็นด้วยตาเนื้อได้และเราหลับตาเนื้อลงไปไม่ต้องดูด้วยตาเนื้อตาใจคือตาลูก มันก็รู้ได้ว่าผเเมเป็นอย่างนี้ขนเป็นอย่างนี้ this, เล็บเป็นอย่างนี้ฟันเป็นอย่างนี้หนังเป็นอย่างนี้นี่ว่ารู้สมมติได้รู้สมมติเป็นการรู้สมมติด้วยใจถ้าเราลืนตาดูเราเห็นสมมติด้วยตาที่นี่ฝึกเห็นด้วยตาแล้วฝึกให้เห็นด้วยใจฝึกเข้าฝึกเข้าสติ นัละกําหนดรู้นี่เดียวว่าตั้งฐานของธรรมะอืคืออุบายไว้แล้วครับอบเอาตัวทำเอาตัวทำแท้คือใจให้รู้ตามสติสติสร้างขึ้นให้เกิดขึ้นจากใจเนี่ยสติความระลึกรู้ให้รละลึกนึกนึกนึ ก, นก เป็นปัจจุบันปัจจุบันเหมือนพวกเราเคยปฏิบัติเคยกระทำละการฝึกสติก็ต้องทำอย่างนี้แม้ว่าจะกำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งก็เรียกว่าเป็นการเป็นฐานของการตั้งสติเราแยกออกมาตามอายตนะถ้าไม่แยกตามที่พูะดพดุทธเจ้า ทรงสอนชาวแคว้นกุรุนี่นพระพุทธองค์ก็สอนให้กำหนดเอากายเรทนากิจ ธ, ธรรมอันนี้มันเป็นอาการใหญ่ๆคำว่ากายก็ในร่างกายของเราทั้งหมดทุกส่วนเช่นเอ็นเนื้อหนังอาการ32สองเนี่ยกายแม้จะลมหายใจก็เป็นกาย เรียกว่าธาตุลมเป็นกายประกอบอยู่ในกายเนี่ยดินน้ําไฟลมเป็นส่วนประกอบอยู่ในกายถ้าแยกออกเฉพาะส่วนดินออกมาก็เป็นดินยี่สิบแยกน้ําก็เป็นน้ําสิบสองเรียกว่าอาการสามสิบสองก็รวมอยู่ในกายกายเวทนา เป็นอา ก, การสวยทั้งความสบายไม่สบายทั้งความเฉยเฉยท่านเรียกวทานาวิทนาสามจิตนั่นคือตัวนึกคิดเ น, น, นึกอคิดอันนุ่นอันเ น, น, น, น่ไม่อยู่ปกติท่านจะว่าจิตนี่มันเหมือนลิงจิตเหมือนลิง อันนี้บอกบอกอาการให้กำหนดตามพิจนาให้เข้าใจทำไมอย่างจะไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นใจอะไรเป็นกายอะไรเป็นเวทนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งหมดไม่เป็นของจริงเป็นเรียงสมมุติเอาไปสมมุติว่าสมมุติว่าสุขสมมุติว่าทุกข์ สมมติว่าผมขนเล็บฟันสมมติว่าดินน้าลมไฟเดียวอ่าขันห้าเนี่ยมันมันเป็นตัวสมมติมันเป็นรูปเป็นอาการแห่งสมมติในขันห้าผู้มาสมมติมารู้สมมติน่นคือใจอันนั้นเป็นตนเป็นตนแท้ ที่พทะเจ้าว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลกเป็นที่พึ่งของตอนคือฝึกใจนี่แหละฝึกใจให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีศรัทธาสิ่งเหล่านี้ฝึกให้เกิดขึ้นที่ใจทั้งหมดคำว่าศรัทธาความเชื่อมั่นในการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วย่อมจะได้รับผลเหมือนกันกับบุคคลขุดบ่อ เที่อมั่นว่าใต้พื้นดินลงไปนี่แหละมีน้ำก็เพียรขุดไม่หยุดไม่หยุดไม่ท่อไม่ถอยขุดไปขุดไปมันก็ถึงน้ำได้แต่ถ้าไปสำคัญมั่นหมายในที่ที่มันจะไม่มีขุดยังไงยังไงมันก็ไม่มีเนี่ยเหมือนกับว่าเอาเราไปสำคัญขุดลงไปในก้อนหินว่ามันจะมีน้ำอยู่ในหิน อย่างไงอย่างไงมันก็ไม่มีแต่ถ้ากับน้ํามันอยู่ใต้ดินจุดนี้แหละมันเป็นที่ชุ่มชื้นดูต้นไม้ใบหญ้าเขียวมันจะมีน้ําขูดลงไปมันก็มีนี่เราเชื่อในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะสอนเรื่องของศีลสมาธิปัญญาสอนมรรคแปด สอนมรรคแปดคือสอนข้อปฏิบัติหนทางให้ปฏิบัติเพื่อเข้าไปถึงความจริงที่มันอ่าถูกของไม่จริงปิดบังไว้ที่เรียกว่าสมมติสมมุติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสมมุติทั้งนั้นสมมุติกิงสมมุติไม่ใช่ใจเนี่ยปฏิบัติเพื่อจะให้เข้าถึงใจแท้ จะได้รู้ใจแท้ๆ ท, ที่เรียกว่าเป็นธรรมแท้จึงจะไม่มีความหลงในสมมตุติเท่านั้นแหละการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่นับตั้งแต่เบื้องต้นมีศรัทธาเชื่อพุทธเจ้าสอนทานกถาศีลกถาภาวนากถาสวรรคามทินอก ในธรรมะการเสียสละสุดท้ายละก่อนมันจะเสียสละสมมุติได้เนี่ยที่จะไม่หลงสมมุติเนี่ยก็ต้องฝึกธรรมะโดยมีศรัทธาเป็นที่ตั้งในเบื้องต้นเห็นว่าออทำไมเรากิตใจของเรามาวุ่นวายพ่อหลงนั่นหลงนี่อยู่เนี่ยมันไม่รู้ความจริง ให้เห็นโทษของความวุ่นวายของความทุกข์ยากลาบากของปัญหาหัวใจที่เรามารับภาระกันอยู่แล้วมันจึงเป็นผลมาสู่ลูกคือร่างกายเป็นภาระเป็นความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางกายนี่ถึงแม้มันจะเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่ รับรู้กันอยู่ได้แค่ชั่วขณะที่ขันห้ามันยังประชุมกันอยู่เท่า น, นั้นะถ้าขันห้ามันแยกย้ายหรือจิตแยกจากกายแล้วเขาไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์อะไรเลยไม่มีบาปไม่มีบุญถ้าพูดไปถึงว่าเรื่องบาปเรื่องบุญเพราะนั้นถอยมาเดี๋ยวพูดไปมากมันยาวไป หายกมาหาใจเท่านั้นหละเป็นมหาเหตุวันนี้ให้ปฏิบัติตั้งสติกำหนดอนาปานาสติหรือมูลกลกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่สุดผมขนเล็บฟันหนังอนาปานาสติกล่มหายใจเอาสองอย่างนี้ง่ายง่ายแล้วลึกลู่ กับลมหายใจให้ต่อเนื่องพยายามตั้งใจไว้ตั้งความเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งความเพียรคําว่าเพียรเนี่ยคือไม่ทอดทอยเ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความหมุดหงิดเพราะว่าธรรมชาติจิตตังนึกคิดเนี่ยมันนึกไปสเปะสปะตามเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วแต่มันจะชอบไม่ชอบ ที่สัมผัสเข้ามามเห็นจะอย่างงั้นส่วนมากที่นี่เมื่อมันนึกสเปะ ส, สปะไว้ตามเรื่องมันมันก็จะไปยืดไปติดอยู่กับเรื่องที่ไล้ลา ย, ลายเรื่องที่ไม่ดีนั่นแหละเหมือนกันกับว่าจมูกของเราสัมผัสกลิ่นแต่ความจริงเราชอบแต่กินหอม กินเหม็นเ่เราไม่ชอบแต่ถ้ามันมาติดมือหรือติดในอวัยวะร่างกายของเราส่วนไเนะะก็จะดมอยู่เรื่อยๆอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนมือลิงมันจะถูกปลาห่ามันก็จะดมอยู่นะ น, นะมันเหม็นปลาทั้งทั้งที่ไม่ชอบเดี๋ยว่ามันจะเยีนะ๋ยวมันจะไปะโจดจ่อนี่ก็เหมือนกัน ธรรมชาติจิตตังเป็นผู้นึกคิดเนี่ยอันดีๆเนี่ยมันจะที่พระพุทธเจ้าท่านว่าให้นึกถึงความดีจาคานุสติความดีที่ได้ทำทานเสียสละแล้วอย่างหรือว่านึกถึงลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตให้คุณค่าแก่ชีวิตของเรามันจะไม่ชอบ นึกไม่ชอบรู้มออันจะไปรู้เรื่องไรล่ายเรื่องที่ไม่พอใจอะไรมานับตั้งแต่จำได้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันจะแย้มขึ้นมาอยู่เรืเ่อยๆเรื่อยๆนั่นคือธรรมชาติพูดนึกคิดมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราฝึกปฏิบัติธรรมะเนี่ยเรียกว่าฝึกจิตที่ในคาที่ยกขึ้นว่า กิจตังทันตังสุขาวะหังกิจที่ฝึกให้เป็นธรรมดีแล้วเนี่ยมีความสุขคือฝึกให้มีสติประครับประคองตนเองอยู่กับปัจจุบันหรือว่าอยู่กับตัวได้ให้รู้อยู่กับรู้อ๋อหรือนึกคิดให้อยู่กับธรรมชาตินึกคิดของตัวเองนึกคิดในกุศลในเรื่องที่ดีๆ ให้สิ่งที่ดีเรื่องไม่ดีเนี่ยนี่แหละจะหักห้ามมันได้ก็ต้องมาฝึกให้นึกอยู่กับสิ่งที่ดีๆให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องหรือนึกกำหนดรู้ลมหายใจในี่เวลาฝึกสติให้มีกำลังเอาเป็นการเป็นงานไม่ได้สนใจเรื่องอื่นละฝึกต่อเนื่องที่แรกมันไม่ต่อเนื่อง เราฝึกเราหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าหายใจเข้าออพุทธหายใจออกโท <c oughs> อันนี้ฝึกเป็นพิเศษ <c oughs> แล้วเรื่องที่ว่ากอยกำหนดกับการกระทํายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอันนั้นมันมันต้องอาศัยความชำนาญจากการกำหนดอารมณ์เดียวนี่ก่อน มีกำลังต่อเนื่องกันแล้วที่นี่มันก็จะรู้ได้และบัดมันจะรู้ได้เราทําอะไรเราพูดอะไรเราเนื้อคิดเรื่องอะไรอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์ร้ายอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์ที่มีประโยชน์ออารมณ์ที่มีอรสชาติให้เกิดความสุขอันแทนจริงทางจิตใจมันมันจะรู้จัก เดี๋ยวนี้เรามันยังไม่ปฏิบัติให้สติกับใจกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่ายังทาจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยยังไม่รู้เรื่องของคำว่าสมาธิรู้เรื่องของคำใช้ว่าสงบสงบซื่คู่ซื่อขณะเรานึกพุโทโธพุธโทพธโธทโธมันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธซ่คู่ซ่ขณะ ในท่านเนี่ยว่ากิดรวมลงในอารมณ์อันเดียวมั่นยังไม่เป็นสมาธิอันแน <c oughs> ่นแฟ้นเมื่อทำบ่อยๆกำหนดบ่อยๆให้มันต่อเนื่องกันยาวๆนั่นแหละมันจึงจะเป็นความทั้งมั่นเป็นสมาธินี่ทีแรกแล้วก็ฝึกอ่เพราะฉะท่านท่านจึงให้มีบท บทไหว้พระสวดมนต์ภาวนาสวดย่อสวดพิสดารบางทีบางคน่มีนิสัยทางการนึกคิดมากอืมีนินสัยปัญญามากบางคนนิสัยสมาธินิสัยสมาธินี่จะชอบชอบอยู่เงียบๆชอบไม่ไม่ค่อยไปคิดนึกเรื่องอะไร มีเรื่องมีปัญหาอะไรมาแล้วก็อืมไม่ไปพิจารณาแยกแยะเหตุผลได้ยินเรื่องก็แล้วไปรู้เรื่องก็แล้วไปอืมอันนี้เรียกว่า น, นิสัยสมาธิบางคนเนี่ชอบคิดค้นคั่วาหาเหตุหาผลอันนั่นเป็นนิสัยปัญญาเพราะต้องรู้ต้องรู้เรื่องนิสัยของตัวเองด้วยท่านเรียกว่ารู้จริตของตัวเอง ถ้านิสัยชอบสงบเนี่ยจะทำสมถะสงบตั้งมั่นได้เร็วด้วยการกำหนดอารมณ์มันเดียวกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้านิสัยชอบคิดชอบนึกชอบค้นคว้าวิจัยวิจารณ์ต้องกำหนดต้องเอากรมาฐานห้าเป็นอารมณ์กำหนดลู้ผม ขนเล็บฟันหนังของขนเล็บฟันหนังมันแนว่วมันแนบแน่นที่นี่อาการของคําว่าสมาธิน่ะจิตใจมันจะไม่กระเพื่มกับอารมณ์กับเรื่องที่สัมผัสเข้ามาทางอายตนะต้องสังเกตดูที่แรกมันกระเพื่อมอะไรเห็นอะไรมันก็จะ เกิดความชอบไม่ชอบมันไม่ได้รู้เหตุผลเะก่อนอืมสิ่งนี้ไม่ชอบใจก็ไม่ชอบไปเลยปฏิเสธไปเลยสิ่งนี้ชอบใจก็เข้าไปหลงเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเข้าไปเลยนี่เรียกว่ายังอันนั้นมันไม่ใช่ละกิจเป็นสมาธิอืมันเป็นศรัทธาเป็นความเชื่อ เพราะฉะนั้นเขาถึงหลอกลวงได้เขาถึงต้มตุน๋นผู้ที่มีนิสัยเป็นพุทธิจริตธเชื่อง่ายอย่างนี้ไม่มีเหตุผลส่วนคำว่าสมาธินี่มันเป็นจิตที่รู้แน่นหนามั่นคงแล้วที่นี่ ปัญญาที่เกิดจากสมาธิกิจที่มีสมาธิใข้ควรก็จะเข้าใจเหตุผลความเกิดแก่เก็บตายความได้ความเสียความมีแล้วเสียไปหรือว่าความพูดสั้นๆเลยความเกิดดับในสมมตินี่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันมีความเกิดมันก็ต้องดับไปหรือเกิดก็ต้องตาย นี่เป็นธรรมชาติในสมมุตินี้ที่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะไม่มาน้อมทินิทพิจารณาด้วยการเดินวิปัสสนาก็าจะไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจความเป็นจริงเพราะการสวดมนต์ไหว้พระจะสวดสั้นสวดยาวจะกราบน้อยกราบมาก กาบสามหนกาบห้าหนหรือกาบเอาตามอายุกาบตามคำมัธยฐานเหมือนอย่างพวกชาวที่เบสกาบกาบอยู่ทั้งวันข้อสำคัญคือให้สติระลึกรู้เพื่อให้เกิดสมถะธรรมคือเกิดสมาธิธรรมเกิดความ แน่วแน่อยู่กับอารมณ์กับการกระทำนั่นให้ต่อเนื่องกันอันนี้ผลประโยชน์หรือเหตุผลอยู่ตรงนี้การสวดสาธยายไม่ให้สวดไปเฉยๆให้สวดด้วยเขามีสตินี่เรียกว่าภาวนาสาธยาย สติกำนดลรู้กันตอนเนื่องต่อนเนื่องบางทีมันสงบมันเป็นสมาธิแนวดิ่งลงไปมันก็หยุดเหมือนกันนะหยุดสวดมันจะเข้าไปรู้อยู่เฉพาะใจสงบเยือกเย็นปล่อยวางโปร่งโล่งสบายอันนั้นเรียกว่ากิจสงบเข้าไปสู่อารมณ์อันเดียวหรือเข้าไปสู่ใจ อันนี้มันเป็นอาการเกิดจากการทำสติให้ต่อเนื่องกันนั่นเป็นเหตุอย่างเดียวเพราะฉนั้นการภาวนาปฏิบัติทางจิตภาวนาไม่ต้องพูดถึงเรื่องทานศีลพูดเรื่องการปฏิบัติจิตตภาวนาเรื่องปฏิบัติต่อจิตใจเนี่ยถ้าหาว่าสติไม่ต่อเนื่องกันยืดยาวหรอ จะไม่มีกำลังกำลังปัญญากำลังสมาธิก็จะตั้งอยู่ไม่ได้นานกำลังปัญญาก็จะไม่เสียแหลเพราะฉะนั้นทำสตินี่แหละให้ละลึกเป็นปัจจุบันต่อเนื่องอเมื่อสติต่อเนื่องละเอียดท่านจึงเรียกว่าเป็นปกติเป็นปกติจิตปกติใจ น, นี่ฟังดูก็เหมือนกับว่ามันไม่ยากนะแต่เวลาเราทำจริงๆเราจะเส้นเรากำหนดพุทธโทพุทธโทหายใจเข้าหายใจออกมันไม่ได้สักอึดใจสองอึดใจแล้วมันก็สอดไปเพราะจิตมันเป็นลียงมันไปปุงไปนึกไปคิดนั่นหละเรื่องมันแล้วมันก็เห็นว่าการที่จะมาอยู่ให้รู้กับอารมณ์อันเดียวเนี้ทาให ทำให้วุ่นวายเพราะฉะนั้นบางท่านบางคนจึงมีปัญหาถามว่าการภาวนาเนี่ยไม่ต้องนั่งไม่ต้องนึกพุทธโธพุทธโธเนี่ยมีแบบอื่นไหมจะให้จิตมันสงบสบายไม่มีจะมีมาจากที่ไหนพระพุทธเจ้าอสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกันเบื้องต้นที่พระ อ, องค์ปฏิบัติเพราะว่า มันดิน้นสังขารมันดิน้นหรื อ, อกิเลสมันดิ้นนั่นแ่ะเพราะท่านต้องหักคอมันลงไปเอาเอาสัจจะาำอธิษฐานเอาอธิษฐานเอาสัจจะความจริงใจในเวลาเราจะฝึกให้เข้มข้นเวลาจะฝึกให้เข้มข้นกระทองเอาแบบนั่นถ้าไม่ฝึกเข้มข้น ก็เรียกว่าทำไปเรื่อยๆทานังเทติสีังเทติภาวนาังเทติตั้งใจกำหนดจิตกำหนดใจไว้พระส่วนมนกำหนดบุรีกรรมผมขนเล็บฟันหนังพุทโธพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่ในสี่สิบอย่างที่ท่านบอกไว้อุบายกรรมฐานสี่สิบกำหนดความตาย อันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นเป็นอุบายเบื้องต้นที่เมื่อรอเลี่ยงหรือรักษาเบื้องต้นให้มันมีกําลังแล้ว <c oughs> กิ่งกา้านสาขาดอกใบอะไร <c oughs> มันก็จ ะ, จะเจริญไปตามลําดับ <c oughs> อันนี้เรามาพูดกันถึงการปฏิบัติเบื้องต้นว่าให้มันทําสมาธิ ภาวนาอให้ตั้งจิตอธิษฐานสมาทานศีลรักษาศีลห้างดเว้นจากบาปจากโทษอันนี้แหละเป็นเบื้องต้นทานังเทติศีรังเทติเป็นเบื้องต้นจริงๆอืมความเสียสละเนี่ยการให้ศีรังเทติก็เป็นอันดับสองเข้ามาคือมีสติ สังวรรู้กายกจิตของตนเองรู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์นท่านจะว่ารู้เหตุและรู้ผลอในการรู้ธรรมะรู้เหตุที่จะกระทําำเหตุอันนี้ทําแล้วอให้ผลปัจจุบันหรือเบื้องหน้าเป็นยังไงบ้างให้ความสุขกายสุขใจยังไงบ้างอรู้เหตุ คือทําแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นความผิดความถูกอความดีความไม่ดีแต่เราลู่เหตุลู่ผลแต่เราไม่ต้องไปพิจารณาไปค้นคว้า อ, อะไรมากหรอก <c oughs> เรามีพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วอย่าฆ่าอย่าทําลายชีวิตผู้อื่นอย่าเบียดเบียนผู้อื่นสัตอื่นนี่พระองค์บอกไว้แล้วไม่ได้ยากตั้งใจปฏิบัติ ทีแรกเหตุทั้งหลายมันออกมาจากใจมันค่อยออกมาสู่กายวาจาท่านก็ให้ควบคุมกายวาจาเนี่ยด้วยความตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็ควบคุมจิตใจด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นแหละทันึงว่าศีลสํารวมรักษากายวาจาสมาธิทำจิตใจให้อยู่ในอารมณ์มันเดียวตั้งมั่นปัญญารอบรู้ ในเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงมันก็จะตัดกระแสความยึดมั่นถือมั่นความเช็นผิดได้นี่วิธีการวิธีการเป็นอย่างนั้นนี่รักษาศีลเว้นจะาโทษทั้งห้าได้ก็มันมันทำสมาธิคือทำจิตให้มีอารมณ์อันเดียวนั่นแหะที่พวกเราทำอยู่ว่าพระสวดมนต์กำหนด อาการสามสิบสองกำหนดพุโทโธพุทโธกำหนดลมหายใจอืมแจะเอาจะเอาอันใดอันหนึ่งจะทำให้มากจะเลื่อนให้มากอืมท่านั่นแหละขอ้อสําคัญคือทันเดียยให้มีความเพียรเช่นขณะนี้เดียวนี่แหละหนดพุโทโธพุทโธกับลมหายใจเนี่ยจนมันไม่พังไม่เผลอ ที่แรกนี่มันกทุกธทรมานทรมานนะเรานั่งสมาธิหรือเราเดินจงกรมเดินทมสมาธิเนี่ยพอตั้งกิจอธิษฐานแล้วกำหนดเปงลงไปเลยว่าจะมาให้เผลอเนี่ยหายใจเข้าออพุทหายใจออกโทหายใจเข้าคุทหายใจออกโทกำหนดรูก้กันไปเรื่อยๆโอ้ไม่นจะเงือไหลคร้ายย่อยสังขารมันลื่น มันดิ้นหลอนมันจะดิ้นปรุงไปเรื่องอื่นแต่ถูกสติควบคุมไว้ไม่เอาไม่ไปเรื่องอื่นนี่รู้อยู่นี่พุโทธโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกนี่ยมันมันดิ้นมันทุกตรงนี้แหละอืมบางทีมันก็หลุดไปหลุดไปแล้วก็ตะคุบตามทันถ้าถ้าเรามีความตั้งใจไว้ตะคุบตามคือให้มันมาอยู่พุโทธโทธพุธโทโธพุทโธ นี่เอากันล่มลุกคุกคานถ้าเราเดินจงกรมอย่างนี้เอาอธิษฐานเนี่ยเวลาเราไม่ได้ทำงานอะไรเหมือนอย่างพระเจ้าเขาสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านตั้งแต่รับทานอาหารสันยังหานเสร็จแล้วเอาไปนั่งด่จนถึงเย็นจะปัดกวดลานวัดบ่ายสาโมงสี่โมงที่แรกมันก็ล่มลุกคุกคานคือไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดไม่ยอมออกจากทางเดินจงกรม ถ้าหาว่าเรานั่งคัดสมาธิก็เหมือนกันไม่ยอมพิกไม่ยอมเปลี่ยนอิฏฐิมันจะเก็บจะปวดอะไรมันมันสังขารมันจะมาจับอยู่กับความเขียวความปวดนั่นแหละมันก็จะบอกมันก็จะบอกเราเองแหละบอกโอ้ยค่อยเป็นค่อยไปมัชฌิมาปฏิปทามันจะว่าแล้วค่อยทําไปวันละนิดละหน่อยมันเจ็บมันปวดก็เปลี่ยนไปมันจะว่าอย่างนั้น แต่เราจะเอาจริงเอาจังเราจะทดสอบไม่เอาตายเป็นตายนะไม่ตายก็ให้ยังอยู่ถ้าไม่ยังอยู่ให้ตายไปเรู่ความจริงว่าความทุกข์นี่มันเรนธนาความเก็บปวดมันจ ะ, จะไปจบสิ้นลงตรงไหนมันเกิดจากที่ไหนจริงๆ ทำไปทำไปทำไปมันต่อเนื่องกันที่แรกก็จะล่มลุกคุกคานล่มลุกคุกคานสู้กันไปสู้กันไปถ้าเรามีความเพียรฝึกฝนอบรมสติสมาธิปัญญาให้มันเกิดให้มันมีกำลังในใจในธรรมชาติรู้ๆของเราไม่นานไม่ยางนานไม่เกินเจ็ดวันจะรู้เรื่องได้ ตั้งแต่สามวันสี่วันจะรู้รูกก้ว่าจิตของเรามันออมีกำลังสติมีสมาธิมีปัญญามันจะทำงานไปด้วยกันนะสติสมาธิปัญญาบางทีมันก็มีสติสมาธิอยู่กับการพิจารณามนี่อุบายวิธีการให้ทำอย่างนี้พูดไปพูดมาก็หมดเวลา ออมันก็เลยกลายเป็นการพูดยาวแต่ข้อสำคัญเนี่ยไม่ต้องพูดมากไม่ต้องฟังมากดอกให้ทำมากๆการกระทำก็คือลงมือภาวนาแหละตั้งสติกำหนดอธิษฐานหรืู้หายใจเข้าหายใจออก <c oughs> อยันนี่พวกเราฟังกันมากแล้วแหละเหลือแต่ว่าจะกระทำ งั้นอย่างศีลอย่างรับรับกันอยู่เรื่อยเรืยเร่ยเลี้ยงใจว่าจะปฏิบัติไหมทําให้เป็นศีลไหมเท่านั้นแหละถ้าไม่ปฏิบัติก็ตั้งใจว่าอยู่ว่าจะไม่ฆ่าไม่ทําลายชีวิตใครเดี๋ยวพอไปเจอสิ่งที่จะต้องฆ่าต้องทําลายชีวิตหรือบางอย่างก็ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องทําลายชีวิตก็ไปทําลายได้ อันนี้เพราะเราเพียงอาศัยการสมาทานอาศัยเครื่องมือภายนอกก็ต้องอาศัยอย่างนั้นแหละแต่ที่นี้ถ้าว่าเราภาวนานัเนี่ย น, นี่เราสํารวมภายนอกดีแล้วเราสารวมจิตเข้าไปในจิตแล้วก็ภาวน า, นาจเจริญเมตตานึกถึงเขาถึงเรานึกถึงเขาถึงเราถึงคนอื่นจิตใจผู้อื่นอย่างอื่น ถ้ากิตของเรารวมเป็นสมาธิเรียกว่ามันสงบลงด้วยเมตตาแิะ ป, ปัญญาเนะี่ยสมาธิและปัญญามันจะเกิดประชุมลงในวาระจิตนั่นพร้อมกันท่านจึงว่ามรคประชุมกันสีสมาธิปัญญาหรือว่าสติคำว่าสติละลึกลู่เนี่ยสติเป็นกาลังละลึกลู่ สติเป็นมือที่มีกำลังสมาธิเป็นกำลังสติเป็นมือสมาธิเป็นกำลังปัญญาเป็นตาคี่คายดูเนี่ยเรียกว่าสติสมาธิปัญญาประชุมรวมลงเป็นสมาธิเมตตาเป็นศีลเมตตาเป็นปัญญาเมตตาอันนั้นตรงนั้นเราไม่ต้องไป เราไม่ต้องไปคอยควบคุมหรอกว่าปานาทินากาเมมุสาสุลามันขาดไปเลยมันไม่ไมีแม้แต่ในขณะจิตหนึ่งนะท่านว่า mm hmm. เรียกว่ามันไปทำลายอุปธิคือความที่จะเป็นมนทินให้เกิดความกระเพื่อมกระวนกระวายอุปธิกิเลสเกิดขึ้นในจิตนั่นแหละ แล้ไปทำบาปทางกายทางวาจานึกคิดทางจิตใจเนี่ยมันจะทำลายด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมรวมลงเป็นเมตตาใจเมตตาจิตเมตตาใจเมตตาธรรมนี่เป็นอย่างนั้นลิธีของการประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมที่จะสงบบาปละบาปหรือว่า ทำลายความหลงยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความโรคโกรธหลงอันนั่ น, ส, น, นสิ่งนั่นสิ่งนี้ต้องไปจากนี่แหละให้มันทำสมาธิภาวนาตั้งสติตั้งสติสตีนี่ให้มันลงมาหาจิตของตัวเองให้มารู้จิตรู้ใจของตัวเองอย่าตั้งสติไปดูผู้อื่นตั้งสติไปรู้ แต่เรื่องของผู้อื่นอันนั้นมันไม่ขาดมันไม่จบถ้ามันมีอะไรมีเหตุอะไรที่เราจะไปรู้และให้กำหนดดูดีดให้ให้ให้ตั้งสติหรือปัญญาเข้ามาให้มันถึงใจของเราถึงผู้รู้ๆของเรานี่แหละมันเกิดอยู่ตรงนี้ดีก็เกิดอยู่ตรงนี้ไม่ดีก็ว่าอยู่ในนี่แหละอันนี้ว่ามันตัวสมมติมันทำงานอยู่ที่ใจนี่ ไม่อยู่ที่อื่นแต่ถ้าเราส่งไปผู้อื่นเดี๋ยว่าไม่ไม่เห็นใจของตัวเองและวก็ไม่เห็นสิ่งที่เกิดจากใจของตัวเองมันก็แก้ไม่ได้ทุดท้ายมันก็เป็นการเพิ่มความกุ่นวายไปเพิ่มไปอีกอันนี้พูดถึงอุบาย การประพฤติปฏิบัติที่นี่เ็เหลือแต่ว่าให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจตั้งสติรงประพฤติปฏิบัติรู้กายรูกก้จิตรู้วิถีความนึกความคิดความอยากนั้นเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้นแหละรู้ที่นี่เห็นที่นี่อรูบาาจารย์ท่านจึงเตือนท่านจึงบอกว่าให้ดูที่ใจ รู้ที่ใจแก้ที่ใจนี่เรียกมหาเหตุมันอยู่ตรงนี้ <c oughs> เนียนได้นำธรรมะซึ่งยกภาษีขึ้นว่าจิตตังทันตังสุขาวหังการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยคือปฏิบัติต่อจิตใจเนี่ยให้ใจมีความรู้ความเฉลียวฉลาดมีสติสมาธิเป็น ทำเครื่องลูกเครื่องอาศัยแล้วความสุขอันแท้จริงของใจซึ่งมีใจเป็นฟูลู้สัมผัสหรือเกิดขึ้นที่ใจจะปรากฏขึ้นที่ใจเท่านั้นแหละทำให้มีความสุขอันยิ่งโดยอุบายของการ ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอย่าไปคิดว่าอยู่ที่อื่นดนะ้อย่าไปคิดว่าบุญอยู่สวรรค์ความพ้นทุกข์อยู่นิพพานไ่รู้นิพพานอยู่ไหนสวรรค์อยู่ไหนหรือมันจะเป็นนิพพานมันจะเป็นสวรรค์จะเป็นนรกนะเป็นไปจากใจของเรานี่แหละเป็นไปจากกายวาจาใจ โดยสฉพาอย่างยิ่งออกจากใจลู่ลูนี่ทั้งพูดให้ฟังด้วยทั้งให้ปฏิบัติกำหนดจิตใจก็หวังว่าคงจะเข้าใจได้อุบายขอขอแต่ว่าที่ให้ขยันปฏิบัติท่านอันเองอมเมื่อขยันปฏิบัติตั้งมั่น ในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเจริญสติสมาธิและปัญญาด้วยความไม่ประมาทต่อแต่นั่นไปเราจะประสบพบความสุขในธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงที่สุดีมุดอนิพานพ้นทุกข์ในวัฏสงสารด้วยแต่ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีในปัจจุบันนี้ สมมุตินี่ขณะนี่เดียวนี่ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มีความสนใจในการประพฤติธธ ร, รมปฏิบัติธรรมนี่ได้ชื่อว่ามีความเห็นถูกเห็นชอบแล้วถ้าหาว่าไปเห็นไปสแสวงหาความสุขตามเรื่องของกิเลสอย่างอื่นอันนั้นเรียกว่าไม่ชอบเพราะมันไม่เป็นความสุขอันแท้จริงสแสวงหาความสุขด้วย การปฏิบัติธรรมเจริญทานศีลสมาธิปัญญาเป็นความเห็นชอบด้วยอำนาจแห่งบุญกุศล ความรู้ความเห็นที่ชอบและได้นอบน้อมเชื่อมั่นประพฤติปฏิบัติเทิดทูนในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เป็นพลังแห่งบุญกุศลปรารถนาสิ่งใด เ, เป็นความชอบด้วยธรรมแล้วเป็นความสุขเกิดขึ้นด้วยธรรม ขอความปาถนานั้นปาธนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการเมื่อในการทุ่งเมื่อตั้งได้บรรยายมาย่าสมควรแจกการเวลาเอวังก็มีด้วยก็การชนิสาทู